นั่นในในที่เราสวดในบางครั้งผมก็มาเปรียบเทียบดูแล้วก็มาหารายละเอียดดูว่าเอ๊ะมันมันสวดเป็นเรื่องไรสาระหรือเปล่าเรื่องเป็นปเรื่องมีจริงก็ทําให้เรามาค้นหาคํา <c oughs> ต, ตอบจากที่เราปฏิบัติในวิธีการของพุทเถียนด้วยแล้วก็มาเปรียบดูตำราด้วยที่ในตําราบอกว่าความพยายามอยากเนี่ยทําให้เกิดใหม่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 อในในรูปเสียงขีดลดนั้นทีนี้มันก็จะแยกออกมาเป็นรูปกับเสียงจักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณมาจักขูสัมผัสขานะสัมผัสกายสัมผัสมนโนสัมผัสพูดถึงหลายลยยะเอียดถึงรูปปัญหารูปสัญญาเตจนารูปปัญหารูปวิตกรูปปวิจารณ์แม้แต่ธรรมวิจารนะครับธรรมวิจารุวาเนี่ย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 จเจริญสติในระดับเราๆอยังน้อยที่สุดให้ทันที่นันที่ครับมันเริ่มเพลินและเปลี่ยนแต่ขณะว่าเราชอบใจติดใจได้ยังยังไม่เคยทันนะครับเพราะว่าเราเราอยู่กับตัวความเคยชินมานานเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเกิดตัวกามฉันทะซึ่งเป็นตัวที่ห้าตัวที่หกก็ตัวหลักตัวที่หกตัวตัณหาที่เจ็ดเพราะว่าตัณหา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 ไม่ค่อยใจแล้วก็จำไม่ได้ด้วยขอรับพี่ชายได้ดาศินว่าเมื่อเธอไม่มีวาสนาบาบรมีแค่ในี้จำไม่ได้ไม่ต้องมาปฏิบัติให้ยากเราออกไปเลี้ยงไปดูแลเขาเป็นลูกกับาพาอทั้งสองคนนะทั้งพี่ทั้งน้องพ่อแม่เขาตายแล้วก็อยู่กับตายายงั้นออกไปดูแลตายายกักนผมบวชองเดียวก็พอเธอไม่ต้องบวชไปดูแลทีนี้ท่านจุลบรรพถกก็ยังไม่อยากจะเสือ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 ได้สติขึ้นมาว่าโอ๊ะผ้านี่มันใสสะอาดทาไมมันเปื่อนไปได้ขนาดนี้ไปเห็นไตรลักษ์ครับอันนี้สั่งถูกขังไดต า, ตาพอเห็นทีเดียวรอบเดียวปลื้ดไปจนบลุเลยทีนี้ท่านมหาบรรท o g เนี่ยท่านเป็นพระตุเทศพระตุเทศหมายถึงว่าผู้มีหน้าที่ในการนิมนต์พระเวลาคนเขาทําบุญตักบาทบ้านไหนบ้านไหนสมัยนั้นเนี่ยในวันนั้นเน่ยพระเออท่าน อนาถาวิธิการเศรษฐีทาบุญวันเกิดทาบุญวันเกิดนิมนต์พระห้าร้อยรูปมีพระุทธเจ้าเป็นประธานนีพพระมหาปันถกนี่ก็ว่าเออมันพระตัวนี้ไม่ไม่ครบแล้วแค่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปเพราะว่าอะไรสึกไปเมื่อวานนี้รูปหนึ่งก็พอถึงเวลาเช้าก็พากันไปอีกวันหนึ่งนะพากันไปนิมนต์พระุทธเจ้าไปพอ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 มันมีวิธีเป็นร้อยๆเป็นพันๆวิธีแต่ขอให้นึกออกว่าเอ๊ะอันนี้มาจะแก้ยังไงแต่ค่อยๆแก้ดูทำเล่นๆนรับไม่ต้องทำจริงจังทำเล่นๆทำแบบสนุกสนุแล้วมันก็จะพบวิธีแก้ไขได้ง่ายๆนะครับเมื่อวานเนนอตมารายงานบอกอผมนั่งดูผมทำไปผมเบื่อในช่วงบ่ายผมก็ดูความเบื่อดูจนความเบื่อมันหายวับไปเลยงันผมก็เลยโล่งสบาย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 ปวดเสียนเวียนก้าวเกิดเป็นความง่วงพ อ, อทานข้าวเช้าก็ง่วงเข้าเพลินก็ง่วงเราก็มาจัดการเหตุของมันว่าเราเพลินในการกินหรือเปล่าเพลินในการดื่มเพลินในการเสพหรือเปล่าแล้วเวลาเป็นเหตุปลายก็มันทําให้เราง่วงเนี่ยเราแช่อยู่ในอาการนั้นนานไปหรือเปล่าถึงง่วงหาสาเหตุให้เจอแล้วก็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 แต่สำหับยมผู้หญิงอย่าพึ่งข้ามไปตรงนน้นเพราะว่ายมผู้หญิงก็อยากข้ามไปมาโอ้ที่เหมาะเลืเกินเพราะยมผู้หญิงนี่เกิดมุดต่อยเนยพึ่งต่อยเนยก็วุ่นวายทั้งค่ายแล้วนะะเพราะอ่อนแอมากเกินไปแค่พึ่งต่อยนี่หายากันอยู่ยาผมโดนเหลือบพิษต่อยทั้งสีห้าตัวยังเฉยอยู่นะฮะ